เอามาเป็นปรมเราพุโทโธก็คือรู้คือตื่นคือเบอิกบานเอารู้ไปพร้อมๆกันขณะที่เราโคดขณะที่เราสาธยายขณะที่เราสวดเรารู้ไปพร่อมๆกันไปพร้อมๆกันมีสติก็บรู้ไปพร่อมๆกันออย่าไปคิดเรามีความรู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วจ้ะ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 ความคิดมันสอนให้เราลูดจึกตัวไม่ใช่ความคิดสอนให้เราหลงในการปฏิบัติแต่ก่อนนี้กายมันสอนให้เราหลงจิตใจมันสอนให้เราหลงความคิดความทุกข์สอนให้เราหลงความโกรธก็สอนให้เราหลงบันนี้สอนให้เราลูดความโกรธสอนให้เราลูดความโลภความหลงสอนให้เราลูดความคิดสอนให้เราลูดเพรหลงไปกับความคิดมามหาแล้ว วั น, นี่เรามันลู่ศึกซะลู่ศึกตัวกลับมากลับมาหากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่หลงแล้ววันก็คิดมันคิดลงไปไม่ได้ห้ามมันเลยแต่วันคิดขึ้นมาลู่ศึกน่งลู่สึกกายเนี่ยนี่ความคิดเลยไม่ได้สอนให้เราหลงเลยความคิดสอนให้เราลู่วันเนี้ยความทุกข์ก็สอนให้เราลู่วันเนี่ยอา้าวมาเปลี่ยนเป็นความ รูดศึกไปเสียทั้งหมดเปลี่ยนได้ทั้งหมดด้วยในกายในใจเนี่ยเกลี่ยนมาเป็นตัวรูดได้แล้วก็สร้างตัวรูดแต่พุทแต่พือไปได้นี่ยคือการกระทําของเรามันทําได้จริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงจิงนี่คือของจริงถ้าสมมติเราทำไมได้เล่นบุญอ่าบุญคืออย่างนั้นคืออย่างนี้วัดวนภาพจินตนาการ บาพคืออย่างโน้นอย่างนี้วาดวนโนภาพจินตนาการแต่วันนี้พานไปยัง น, ยงนั้นอ่านวาดวนโนภาพไปไปโน่นคิดรู้คิดเห็นคิดรู้คิดเห็นมันไกลวันนี้มาพบเห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเนาะเออเปิดู้ดเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเกิดการพบเห็นเห็นกับหูกับตา เป็นกับมือของเราเราทำกับมือของเราเราทำกับกายของเราเราทำกับใจของเราเวลาใดที่มันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูกทำด้วยมือทำด้วยฝีมือของเราทำด้วยกายด้วยใจทำด้วยลูกด้วยนามของเรานี่คือของจริงเอามาทำเป็นของจริงมันจับได้มันต้องได้ความโกรธความโลภความหลงก็จับได้แล้วก็วางได้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 ให้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยตนมต็มตรงตงมันก็เป็นไปเองความรู้สึกตัวไม่เปิดื้อนนกับสิ่งใดดอกความรู้สึกตัวเหมือน ท, hm ทองคําเหมือนทองลอยไปสิเหมือนเพชรนั <websites S 2> ่นเลยกับปนครูดปนหห็นปนใช่เวลาอยู่มก็ยังเป็นเพชรเป็นทองอยู่ มันบัวใบบัวดอกบัวมันจะเกิดบนที่คนน่าเหม็น no, มันก็ยังไม่เป็นอะไรมันก็ยังใบบัวก็ยังไม่ซับตัวน้ำ <c oughs> ยังเป็นใบบัวนี่ของของจริงเยนะ่ยความรู้สึกตัวก็เช่นกันเรามาสร้างนะสร้างตัวนี้ให้มีมาตรฐานให้มีคุณภาพชีวิตเราเ ค, ความรู้สึกตัวนะ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 หาโอกาสเฉพาะเรื่องลองดูมาภาวนามาเจริญความรู้สร้างความรู้ให้มากขยันสร้างความรู้เอากายเอาใจเราางไม่ต้องเกี่ยวกับสมุทปการิสตำละมัดมันมีอยู่กายมีอยู่ความรู้สึกตัวก็ม่อยู่ความหลงก็ไม่อยู่เอาความรู้ตะพืดตะเพือแแบเข้าไปฐานเข้าไปก่อนยังไงเป็นรูปเป็นร่างก็รอ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 หาวิธีที่จะอยู่กับเนื่อกับตัวบางทีก็เอามือกอดอกไว้แน่นๆหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็บันจงส่วางจงังหวะบางทีก็บรรจงเดินจงกลมมันก็เรายืนที่จะทำงานหล่นเนื้อที่จะเขียนหนังสือที่จะกินข้าวกินข้าวก็มีกิริยาการเขียนหนังสือก็ไม่ท่าไม่ทา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 ปวดต้นขาปวดเข่าปวดน่องมันทับลงไปเออเ น, นี่เวทนามันเกิดขึ้นแล้วโอเวทนาหนอเนี่ยฉลาดะนะเออนี่ยโลกมันไหลไปมันอ่ความทุกข์ความเม่เที้ยงไหลไปามไม่ใช่ตัวตนมันบอกเราก็เห็นางนีนะเวทนาเห็นเวทนาเห็นกระมัิถ้าเวทนาเป็นของเราเห็นสมมติปันญตญิไม่ชอบ โอ้ยเราปวดตายตายเลยเรียกว่าสมมติปัญญาถ้าเห็นเวทนาเออสักว่าเวทนานั่นเออได้แล้วหรือว่าอ่จาจักสูวิญญาณคณะวิญญาณข้าหาวิญญาจักสูทางตาทางหูจมูกเรียนกายใจมโนวิญญาณตัวร้า้พวกนี้นมันแสบมันสุกชนไปแสบไปซ่องไปซุกซนอะไรไม่รู้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 ชอบอยู่เป็นเจ้าสมาถะสงบเสญญงี่ยมไม่ค่อยอะไรกับใครอันนี้ก็อาจจะกาจจะง่ายาหน่อยถ้ามันซุกซนมามากมากเปิดพุ่นมากอ่ามันกายสังขารกิตาสังขารมันซึกซนมาอ่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเขาจะเลินมาเขาบนใหญ่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 ไปในน้ำพอเลียกว่ารอดลอดเร่งมาหามาหาก็มันนอนจับขาจับแขนแก่ไปไหนก็ได้ตีแดงๆก็ไม่เปไ็นไรหยอกเราด้วยเ ล, ยเลน่นกันหนัเพราะการสอน<ม>อการสอนเองก็เหมือนกั น, ก, น, น <c oughs> กู้ว่ากู้ตัวเองกู้เลี้ยวตัวเอ ง, งรู้สึกตัวไปไหนคิดอะไร กลับมากลับมากลับมากลับมาเอาไปมาก็ง่ายอะแล้วร่องขนาดไหนก็ได้สอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตัวเราเนี่ยนะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีว่าปฏิบัตไิไปได้ให้ผลไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าประกาศเลยโป้งโป้งทำคำสอนปฏิบัติพระธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการพระธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสมควรเก่ผู้ปฏิบัติ เนี่ยต้องมีหวังอย่างนี้เลยพวกเราไม่ต้องหวังแต่ว่าเฉพาะหน้าเราเลยเราลู่สึกตัวเราลู่สึกตัวเราลู่สึกตัวเนี่ยเราสึกปรับปรุงอยู่เลปรับปรุงท่านั่งปรับปรุงกายปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความพร้อมมันจะคล่องขึ้นคล่งขึ้นคล่งตัวขึ้นคล่งตัวขึ้นใน้มันตื่นให้มันลู่คงเส้นคงเวลา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 ปวดขาปวดเอวยิ้มก็ได้หิวข้าวยิ้มก็ได้ใจยิ้มยิ้มไ ม, ไม่ต้องไปสุกไปทุกอย่าเอาใจไปสุกไปทุกใจต้องเฉยเฉยต้องอบางทีต้องวางตัวว่า ง, ววางอุบเบกขาเวทนาไม่ใช่สุกเวทนาไม่ใช่ทุกเวทนาอุบเบกขา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 อยู่คนเดียวนั่งอยู่ในกติกนั่งพิงฝ่ามั่งนั่งพีดเสาดูตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยวิธีที่ปฏิบัติทำสมบูรณ์แบบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งลู้มีทั้งหลงมีอะไรเยอะแยะไปเลยเราก็จะได้บทเรียนถ้าเรามีความรู้สยกตัวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆ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 บัดนี้เรามาทักโชคมาดูมาดูมันหยู่มาดูอยากเป็นมาเป็นผู้ดูอยากเป็นผู้เป็ น, นเราไปอย่างนี้ถ้าเป็นผู้เป็นก็ไปได้ปฏิบัติถ้าเป็นผู้ดูเนี่ยปฏิบัติเห็นนะวะเพ้าะ เ, <c oughs> เราดูมันก็ต้องเห็นถ้าเราเห็นก็เราไม่เข้าไปเป็นนี่ก็ง่ายๆนะผมพูว่า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 เราเสืเอนเพลงไงเออเราทำได้นมงก็พึงใจเรารู้สึกตัวเราเห็นกายเราเห็นใจเนี่ยโอ้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นคนนวามโกรธความโกรความบ่ง เ, เตรียมเป็นไม่โกรธไม่โลภไม่หลง โ, โอโธมันเริ่มชนะตัวเองแล้วบ้างยึดคงแล้วบ้างนะการชนะตัวเองเนี่ประเสริฐนะการชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนุนไม่เท่าชนะสนทีเดียวอ่ายิ่งด่นชนะตัวเอง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 รูจุดอ่อนของเราเนี่ยนะไม่ใช่รูจุดอ่อนของคนเดิมรูจุดอ่อนของเราจุดที่มันเคยหลงจุดที่มันเคยโกรธจุดที่มันเคยละเคยชังเมื่อเราแค่เราจับจุดนี้ได้ของเส้นคองวาแล้ววนะเนี่ยมีปฏิบัติเนี่ยถูกตึ้งที่สุดการเจริญสติตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้จริงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อที่เรียนจบ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 อ่าทหารเอกสองไร่มาลบิงหยอาจารย์อ่าอาจารย์บอกไอ้โมโมโมโมเฮ้ยเป็นทหารด้วยหรเนี่ยแม่นทหารด้วยยิงเนี่ยมีดาบด้วยหรือเนี่ยโอ้โหดาบสองไล่ด้วยล่ะมีนเลยนะทหารนงก็โกดีแล้วเป็นนักปะหานเป็นนักปันดา ดึดาบเกฝักเก็บ <apanese> ฟันอาจารย์อาจารย์ก็ร้องกันโอ้ยตานรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วอ๋อทหารสมุไรคนนั้นตกใจอาจารย์ว่านรกเปิดแล้วิรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้ว้องท่านก็ดาบใส่ฝักท่านมาดาบใส่ฝักโอ้สวรรค์เปิดแล้วสวรรค์เปิดแล้วกราอาจารย์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 ขยับาไดไม่เบี่ยเบียนใครแล้วเธอยัองจับดาบไล่ฟันเราอยู่ทวนอะไรยังไม่ยุไดไม่ีสติขึ้นมาเลยองคุิมาก็เลยวางดาบได้สติก้มรองให้โอ้โหม้วยี่ปบีิชาดยังไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้โอโ้เรานี่ไม่ได้จุดเลยวางดาบก้มร้องไห้เสียใจสมมึกได้เจลากระเทศให้ฟัง ตาพระพุทธเจ้าเข้าไปนอนสาวัถีน่น <c oughs> บวชเป็นปีสุดปาบโจนบนอะไรไม่มีใครทําได้ดอกเช <c oughs> <ดอ>ื่อคนจินเล่าเราไปบอกมันก็ด่าเราแล้วมันล่นหวยเราไปบอกมันก็ไม่ชอบเราแล้วเมื่อวานเขมาทอดกระถินวันซื่อเขมาทอดกระถิ่นพ อ, อรกระินสเสร็จแล้วเอากระดาษมาแล้วค่อยเขียนตัวเลขสวยๆให้หน่อย เขาบอกเราบอกว่าจะไปเล่นเขาก็ไม่พอใจเขาบอกแม่เขาจินเล่าเขาไม่พอใจถ้าเป็นอย่างน้นพระเจ้ า, จาทีกจะสอนได้แต่ว่าไม่เป็นหลพวกเรานะอันนี่คือในพุทธมารให้ว่างวันนี้จะมี <c oughs> การประชุมที่สุขโตะไปเยินมศาสารัไหมชุมชมรมเด็กและนก เขาจะประชุมเดินธรรมยาตาคนะใครต่อใครมาพก็เด็กชุมลมเด็กลักนกเป็นผู้ประสานงานเขาจะมาประชุมที่วัดเราประสารเป็นหัวหน้าหัวหน้าการเดินธรรมยาตาหลวงพ่อก็เป็นประธานร่วมกันกับเขาปอกาปไกลเดินธรรมยาตาเจ็ดสิบกิโล รอบลำปะทาวรู้สึกว่ามีเครือข่ายเขารู้จักพวกเราว่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำในนี่ไม่มีตัวแทนป่าไม้น้ำมีเจตสอสอตัวแทนของโลกตัวแทนวงลำปะทาวตัวแทนป่าไม้ไม่มีพอเราดึงเป็นตัวแทนป่าไม้ตัวแทนน้ำไปบอกความ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 เทตัวะวันตัมวะสวัสดีตวะกโตวะะตะมสสะมนมะตุปิปโนะะโตาวะะสังโฆสังนะมะ